ให้ค่าค่อนข้างมากนะแต่เหตุก็เฉยๆผู้การก็บอกว่าคงหมดหมดเคระหมดเวรทัง้งทจะไปหมดได้ยังไงก็ทำอยู่กันทุกวันเนี่ยทำใหม่นี่มากกว่ารับเนะยกตัวอย่างนะจากครูทวารวิถีเนี่ยรับห้าทำเจ็ดอะนะรับเหตุห้าทำเจ็ดรับวิบากเนี่ยนะ จกขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะสา ม, มดวงครับไมแล้วก็ตถาธรรมะอีกสองเป็นห้าดวงชาวนะเกิดขึ้นทีเจ็ดแล้วมโนทวามิถีซ้ำทันทีเลยไม่ต้องรออันมโนทวามิถีเนี่ยชาวนะล้วนๆเป็นไปทำเหตุใหม่ทั้งนั้นเนยพระผู้มีประภาคนั้นพรงยังตรัสว่าท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ท่านกลัวต่อทุกจะได้ทาชั่ว เพราะว่าถ้าท่านทําชั่วเนี่ยนะถึงจะอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่พ้นนะทางเราจะยกตัวอย่างว่ากาตัวหนึ่งอ่ะบินแล้วก็ยังมีไอ้สวีนหม้อเนี่ยนะเป็นไฟก็เหมือนกับลูกบ่วงอะไฟที่มีบ่วงอะลอยไปแขวนคอพอดีเลยนะถ้าสมัยนี้ก็อยู่บนเครื่องบินก็ไม่พ้นถ้ากรรมทำไปแล้วเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นทะเลมกว้างใหญ่เรือยังชนกันได้เลยใช่ไหมอยู่บนท้องถนนก็ เห็นงันปกติเนะหรือว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะดูทีวีเฉยๆยังตาค้างเลยนะเพราะนักอคุศนถ้าให้ผลนะจะให้ได้ทุกที่เพราะว่าขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาคนั้นวิบากก็จะให้ให้กับขันห้านี่แหละนะบางแห่งก็บอกว่ากรรมกรเนี่ไม่ได้ลงที่ต้นไม้ใบหญ้านะ mm. การลงโทษเนี่ยไม่ได้ลงที่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ลงที่กายาวานาคืบนี่แหละ ทางกุศลและเวบากและอ ก, กุศลเวบากเวลาจะให้ก็ให้ตรงนี้พระผู้มีประภาคนั้นทรงให้ความสําคัญกับเหตุใหม่มากเนี่ยนะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆเนี่ยนะซึ่งเราทั้งหลายก็ทํากรรมกับทุกๆอารมณ์นั้นเมื่อทํากรรมกับทุกๆอารมณ์เนี่ยนะชีวิตของเราก็เลยไม่ปลอดภัยเลยเนาะเป็นชีวิตที่หน้า น่าเจริญกรุณาให้มากๆว่างั้นเลยเพราะว่ามันเดินไปหาจวัดเดินไปไปสู่เหวใหญ่อะนะในในสายตาของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำลังเดินไปเพื่อเดินไปหาเหวใหญ่เนี่ยนะเดินไปหาชาติหาชาราหาพญาทิหามรณะเดินไปหาโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปายาต เมื่อทำกรรมในลักษณะนี้บ่อยๆเห็นไหมถ้าหากว่าเราไม่เจริญพุทธคุณกันมากๆชีวิตของเราก็ไม่รู้จะปลอดภัยเมื่อไรเห็นไหมเพราะว่าสาสตร์ทั้งหลายนั้นมีภัยอยู่รอบด้านทั้งภัยแห่งรูปปัจจัยถ้าภัยแห่งรูปปัจจัยนั้นเราจะให้ข้ามมากเช่นว่ารูปปัจจัยของเราเนี่ยนะอวินิโพคโรปหรือว่ามหาภูตา ร, รูปที่มีสมุทรสิง ได้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมากระแทกให้เสียหายเนี่ยนะเราก็จะให้ค่า ม, มากให้ความสนใจจนถึงกระตั้งโรงพยาบาลรักษาเลยนั่นแหละรักษาหมหาพูดเนี่ยนะแต่ว่าอากุศลมันกินจิตเนี่ยนะเราถือว่าธรรมดาเหมือนกันไม่ได้คิดจะรักษาไม่ตั้งใจจะเยียวยา ม, มากขนาดไหนนะนั่นเราต้องการให้รู ป, ปรกายเนี่ยปลอดภัยมากกว่า แต่นามกายเราไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรเสี ย, ยใจอยู่ครึ่งค้อนวันก็ไม่เป็นไร น, นแต่ถ้าป่วยอยู่ครึ่งค่อนวันนี่คนจะเห็นใจกันมากนะแต่ถ้าคนมีโทสะนี่นะออคนกลับไม่ค่อยสงสารกันไม่ค่อยมีการุณาต่อกันนะอันแสดงว่าสนใจผลมากกว่าเหตุมุ่งแก้ปัญหาที่ผลมากกว่าจะแก้ปัญหาที่เหตุอันลบที่คาสอนส่วนหนึ่งนี้เน้นแก้ปัญหาที่ ที่ผลแต่พุทธศาสนาแก้ปัญหาที่ที่เหตุอันกตันหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งกองทุกทั้งหมดเหมาะนั้นทุกทั้งหมดนั้นถ้าไม่มีโลภะทุกเหล่านั้นจักไม่มีเลยแต่อาศัยโลภะนั่นแหละอันผลแห่งความเพลิดเพลินก็คือผลแห่งความเพลิดเพลินก็คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาถ้าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดมาก สิ่งนั้นจะก่อให้เราโทมานัตมากเนี่ยนะจะก่อให้เกิดทุกโทมนัดและอุปาญาตมากเช่นเราได้รับความเพลิดเพลินจากร่างกายมากแล้วร่างกายอันนี้แหละก่อให้เกิดทุกโทมนัตมากสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินมากเช่นบุตรหลานเป็นต้นเนี่ยนะก่อให้เราเกิดความเพลิดเพลินมากบุตรหลานเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจอย่างมากตามจานวนแห่งความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินมากจ่ายแพงอเพลิดเพลินน <Yeah. S 1> uh ้อยน้อยจ่ายน้อยไม่มีก็ไม่ต้องไม่มีให้เพลินก็ไม่ต้องจ่ายเรื่องนี้เลยเห็นไหมนั้นใครเพลินมากก็ทุกมากใครเพลินน้อยก็ทุกน้อยเพราะว่าความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเหตุแห่งวัตถุทุกทั้งหมดด้วยเหนไหมไม่เฉพาะทุกแค่ชาตินี้นะอ่าถ้าหากว่าของเราส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเออความเพลิดเพลินเนี่ก่อให้เกิดทุก ในชาติเนี่ยซึ่งจะไปทุกข้างหน้าสามสี่วันสิบปียี่สิบปีแล้วก่อให้เกิดความคับแค้นใจแต่เราใส่ใจในเจตนากรรมเนี่ยอ่อนไปถ้าเราเอาเรื่องกร ร, รมมาตึกมากๆเนี่ยนะเป็นปริญญาไหมเรื่องก ร, รรมมากๆเป็นปริญญาไหมเป็นริครับปริญญาไหนยาตัดปริญญาเนะาะ แต่ถ้าตึกเรื่องกรรมมากๆนะปิดอบายได้น ะ, ะคนที่มั่นคงในเรื่องกรรมดีคนนั้นจะมั่นคงในพระตนะไตรามากเพราะจะระแวงภัยอยู่รอบด้านเมื่อระแวงภัยอยู่รอบด้านที่พึ่งอย่างอื่นของเขาจะมีไหมนอกจากพระตนะไตรนันชีวิตของคนที่มั่นคงกับเรื่องกรรมเขาเรียกว่าได้ปัตจะยะปริคหายาในนั่นแหละและจะไม่ไปอบายชาติหนึ่เพราะว่า ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทใช่ไหมอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยมีสำหรับคนประมาทนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ประมาทก็ไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตชาติหนึ่งเฉพาะชาติที่ไม่ประมาทหลังจากนั้นอีกก็อย่างว่า <c oughs> ในคำภีท่านอุ ป, ปมาดีนะเบอกว่าธรรมดาคนตาบอดบางคราวก็เดินถูกทางบางคราวก็เดิน ผิดทางเนี่ยนะเมื่อไร่ที่ก็เดินถูกทางก็สบายไปเมื่อไร่ที่เดินผิดทางตกเหวตกห้วยตกน้องเหนะยียบพงรกพงหญ้าพงป่าซึ่งเต็มไปด้วยน้ําไปหมดเนี่ยนะก็โหกว่าจะแหวกออกจาก <c oughs> น้ําเหล่านั้นก็ยากถึงมาเดินถูกทางเขาก็ยังไม่รู้อีกว่ากําลังเดินถูกทางไหมเพราะอาวิชานี้เป็นเครื่องปิดกั้นอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราไม่ได้ทําปริญญาสามในสิ่งนั้นให้บริบูรณ์เลย อ, ะอ่ะเมื่อไม่ทําปริญญาสามในทุกๆอารมณ์ให้บริบูรณ์อารมณ์เหล่านั้นแหละก็เป็นอารมณปัจจัยของอวิชชาใช่ไหมเป็นอารมณะปัจจัยของเจตนากรรมเป็นอารมณปัจจัยของตันหาตันหาวิชากรรมถ้าบริบูรณ์ก็อย่างนั้น อวิชชาในกามมพบทำให้เกิดในทำให้เกิดสังขารในกามพบแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในกามมพบปฏิสนธิวิญญาณในกามพบก็ก่อให้เกิดนามรูปในกามพบสลายตนะผัสสะและเวทนาที่เป็นไปในกามมพบนะเพราะเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นต้นอวิชชาก็เอาใหม่ละไง อันชีวิตของเรานี้ขึ้นต้นด้วยความไม่รู้แล้วก็จบลงด้วยด้วอะไรแล้วแต่ใครเนอะบัณฑิตก็จบลงด้วยความรู้ใช่ไหมแต่ว่าคนพาลคนเขา่าผู้ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมก็ตกลงด้วยความไม่รู้ต่อไปเนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่รู้เนี่ยนะโหหนทางไกลด้วยตาบอดด้วยหลงทางด้วยไม่รู้ทางด้วย ฉันสังสารวัตรเนี่ยจึงน่ากลัวถามว่าเมื่อสังสารวัตรเราเป็นไปอย่างนี้เราเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจล่ะเราเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจม้างว่าฉันมั่นใจแล้วล่ะมีไหมศึกษาพระธรรมมาขนาดนี้มีอะไรพอมั่นใจม้างหรือยังเรามั่นใจในพระรัตนตรัยหรือยังว่าช่วยให้เราพ้นภัยได้จริงๆก็ก็มั่นใจครับแต่ว่าก็ยังไม่เชิงสีเดียวนะครับ ว่าไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองนี่พระตนตายดีจริงเหมืองนแต่แ ต, แต่ว่าเราเองเข้าถึงพระตนตายจริงหรือเปล่า <c oughs> อันนัะก็บอกว่าถ้าถ้าเราเข้าถึงท่านจริงท่านก็รักษาเราจริง น, นั่นแหละอะนถ้าเราเข้าถึงท่านมากเท่าไหร่ท่านก็จะปกปักรักษาเรามากเท่านั้นทมโมฮาเวรักติธรรมมจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่นะ ใหม่ๆก็เหมือนกับเราต้องประพฤติ ธ, ธรรมนะเหมือนเราต้องรักษาธรรมแต่ถ้าศึกษากุศลธรรมอย่างถูกต้องแล้วจะรู้ว่าชีวิตของเรานี่มีพระธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยนะนะรักษาเยียวยาสุขภาพจิตให้ดีขึ้นอันถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นไปตามอำนาจของกุศลอกุศลเหล่านี้เป็นอุปนิสัยแห่ง เป็นอุปนิสัยแห่งความสุขด้วยนะเป็นอุปนิสัยด้วยเจตนาก ร, รมเป็นกรร ม, มปัจจัยแห่งความสุขแต่ว่ากุศลเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะแม้แต่กุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยแล้วผลของกุศลน่ะน่า ย, ยินดีไหมกุศลัดีย น, น่า ย, ยินดี น, นเพราะว่าผลของกุศลเนี่ยติดตามด้วยอะไร ผลของกุศลก็คือวิบากอยู่แล้วคือคือชาติผลของชาติก็คือชราและมรณะถามว่าเราเจริญกุศลเพื่อผลของกุศลหรือเจริญกุศลเพื่ออะไรขอสาธุสาธุฟังแล้ชื่นใจนีเจริญกุศลเพื่อกุศลก็คือการเจริญกุศลเพื่อพัฒนากุศลนะการเจริญกุศลในคำสอนของพระผู้มีพระภาค ไม่ได้เน้นให้ไปมุ่งไปที่วิบากอันนั้นแต่ให้รู้ว่ากุศลเมื่อเกิดขึ้นมีวิบากอย่างถึงกรรมและผลของกรรมแต่ถามว่าให้หวังกับวิบากใช่ไหมไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าเออเมื่อเหตุอย่างนี้ผลจะมีอย่างนี้อันนี้ด้วยอำนาจกรรมมาปัจจัยแต่เวลาเข้าเจริญกุศลเนี่ยเจริญกุศลเพื่ออุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะแม้แต่ คนที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรืออาเหตเนี่ยนะเวลาทํากุศลก็ปราถนาติเหตุาถามว่าทําไมต้องปรารถนาติเหตเนี่ยนะปฏิสนธิด้วยเหตสามนะคืออโลภอะโทสะและอมโมหะเพราะผู้ที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุจึงจะตรัสรู้ทำได้ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยเหตุกะสัตว์เดรฉานไม่อาจบรรลุธทำได้เอรกับัดนาคราชเนี่ย เป็นอดีตพระภิกษุรูปหนึ่งที่บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะท่านลงไปในเรือท่านไปกระเรือแล้วก็ไปทำให้ต้นไม้เนี่ยนะสีเขียวเนี่ยมันขาดแล้วก็ด้วยความจงใจเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ลืมว่าไปไปทำเหตุอันนี้ลืมเลย ทีนี้ตอนหลังป่วยใกล้จะมรณะภาพภาพไอ้ ท, ที่ที่ตัวเองไปผิดวินัยอันนั้นเนี่ยมาทันทีเลยเพราะไม่ได้ปลงอบัติทีนี้ว่าจะหาพระปลงอบัตรก็หาไม่ได้ตายพอตายแล้วก็ปฏิสนธิเป็นนาคเห็นไหมไปเกิดเป็นนาคเขาว่านกุศลอย่างอื่นที่รักษามาปเป็นหมื่นปีเนี่ยไม่ได้ให้ผลเลยอกุศลให้ผลไปเกิดเป็นนาคเป็นอเฮตุกะปฏิสนธิเน็นไหม อพอเป็นอเหตุกะปฏิสนที่เนี่ยทุกๆสิบห้าวันจะให้ลูกสาวเนี่ยยืนบนพังผานของตัวเองแล้วร่ายรำยนะกล่าวคาถาว่าเขาแต่งเป็นปัญหาร้องขึ้นมาว่าถ้ามีผู้สามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกก็ใช้ทำวัดอันนี้อยู่หลายปีจนพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจมากก็ไปฟังธรรม พอไปฟังทำยังไงก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะปฏิสนธิด้วยอหิยตุกะเสียใจอย่างมากมายเพราะงั้นบาปอากุศลนั้นจะได้ต่ำมากแล้วอย่างหนึ่งแม้ถ้าหากว่าปฏิสนธิด้วยอหิยตุกะหรือทวิเหตุกะก็ทํากุศลก็พยายามเน้นติเหตุกะเนี่ยนะเน้นให้มีปัญญาประกอบอนะแต่ว่ามีปัญญาประกอบก็ควรที่จะมีกุศลอย่างอื่นเป็นบริวารด้วยควรมีศรัทธาเป็น บริวารเพราะว่าถ้าปัญญามมากบางทีก็กระเดียดไปทางมานะเนี่ยนะมีปัญญามมากถ้ามานะกล้าเกิดในตระกูลต่ำเห็นไหมถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ในตระกูลต่ำเนี่ยนะถ้าไม่หนักแน่นในความเคารพเป็นต้นอันแม้แต่มหากุศลแต่ละดวงแต่ละดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณภาพของเจตสิกเนี่ยนะสังขารขันเหล่านั้นแตกต่างกันนะถ้าในมหากุศลจิตนั้นเนี่ยนะศรัทธาอ่อน วิบากนั้นก็มันก็จะอ่อนตามอำนาจของศรัทธาด้วยส่วนหนึ่งถ้าความเพียรอ่อนวิบากก็จะอ่อนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องปรับสังขารขนันนั้นให้อย่างดีเลยคือปรับกุศลธรรมเนี่ยนะปรับกุศลธรรมให้แต่ละอย่างนั้นมีพละมีกําลังให้เต็มที่อันวิบากเหล่านั้นจึงจะให้ผลอย่างเต็มที่ได้อันสังขารสังขารขันเนี่ยเป็นธรรมะที่จะต้องปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะ แล้วก็ปรุงแต่งอย่างเงี้ยจนกว่าจนกว่าอะไรจะเกิดจนกว่าอริยมรรคจะเกิดเพราะอริยมรรคทั้งหมดเป็นสังขารขันในบรรดาขันห้าเนี่ยนะอริยมรรคเป็นขันเดียวคือสังขารขันอริยมรรคไม่ใช่รูปขันไม่ใช่เวทนาขันไม่ใช่สัญญาขันและไม่ใช่วิญญาณขันเป็นสังขารขันอย่างเดียวอันในบรรดาธรรมะที่ถูกปรุงแต่ง อริยมรรคประเสริฐที่สุดเนี่ยนะที่ที่ต้องปรุงขึ้นอย่างดีขึ้นนีนะเฉะนั้นคนที่จะปรุงแต่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งสงเคราะห์ลงขันสามคือศีลสมาธิและปัญญานั้นเนี่ยในสัจจะที่สเนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะอริยมรรคซึ่งอยู่ในสัจจะที่สี่มันคนที่จะตั้งใจปรุงแต่ง อริยมรกได้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องรู้รู้ทุกขสัตว์เป็นอย่างดีพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะรู้ทุกขาริยสัตว์เป็นอย่างดีเห็นโทษเห็นภัยของทุกขาริยสัตวนะ์พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะพร้อมทั้งปัจจัยของทุกขาริยสัตว์คือตัณหาเป็นเหมือนกับตัวปริพโธ์เป็นอายุหนะเป็นปริโพธะเป็นตัวที่ชักเนี่ยนะ อุปาทานขันท่าให้เกิดขึ้นมันเห็นโทษของอตันหานั้นถ้าเห็นโทษแล้วประสงค์จะดับตันหานี่ความดับตันหานั่นแหละรเรียกว่านิโรธนั่นนะเพราะฉะนั้นกว่าจะดับได้จะต้องปรุงอริยมรรคอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยนะเราฟังดูมาอุ้ยเยอะจริงๆอย่างเงี้ยจะรักษาไหวหรออย่างงั้นอย่างเงี้ยแต่คิดดูนะว่าแล้วทุกขของเราเนี่ยมากขนาดไหนอ่ะเนี่ย ถ้าทุกมากเท่าไรจาเป็นจะต้องปรุงให้ปรุงยาเท่านั้นะ่ะถ้าโรคมากเท่าไหรนะยาก็ต้องมากตามจำนวนโรคเหล่านั้นนะโรคคืออุปาทานขันห้าซึ่งเกิดจากตันหาเป็นต้นเป็นสมุดฐานซึ่งหลากหลายมากฉันจาต้องปรารถนายาที่หลากหลายขนาดนะพระองค์ก็เลยแสดงธรรมเยอะแยะไปหมดเลยเนีย่ยนะเพื่อที่จะกหราบโรคนั้นๆที่ดดูนะผู้ที่ศึกษาพระธรรมนานๆจะรู้เลยว่า บางวันเนี่ยนะพระสูตรบางสูตรเนี่โอ้โหซาบซึ้งมากบางวันฟังแล้วเฉยเฉยเห็นไนะอุเบขาบางวันฟังแล้วโสมมันัดบางวันเนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่ายังไม่ฟังดีกว่าศรัทธาไม่มากนะแต่พอฟังอีกสูตรหนึ่งโอ้ดีจริงๆเลยเห็นไหมนะั้นแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันอันพวกเนยะบุคคลหรือปะทะปร r a m ก็เป็นลักษณะนั้นแหละเห็นไหม เพราะว่าปะทะัปรมมเนี่ยนะท่านนิยบุคคลจะต้องเรียนมากสาทยายมากสแสดงมากปรึกมากพิจารณามากเจริญมากมากเข้าไว้ไม่ผิดอันนี้เขาเรียกว่าพวกนิยบุคคลแล้วบรรลุในชาตินั้นได้เรียกว่านิยบุคคลส่วนผู้ที่ไม่ได้บรรลุในชาตินี้เรียกว่าปะทะปาะะัปรมมเนี่ยนะหอมาก็น่าจะประเภทสีแล้วมั้งดูท่าลนนะนะ บุคคลประเภทสี่เหนกันไม่ใช่บุคลนะบคลที่สี่นะบุคคลที่สี่เนี่ยสบายเลยแต่นี้บุคคลประเภทสี่เหม น, น, นไม่รับนักราชการไม่รับแน่พระพุทธจ้ายังไม่รับเป็นสาวกพระองค์ยังไม่รับไม่เป็นไรเรานับถือพระองค์เอาละแล้วกันนะถามว่าจะเป็นสาวกของพระองค์จริงๆไม่ไรสาวกสังโฆเนี่นะสาว ก, กะเนี่ยจะได้ใช้ศัพท์นี้เนี่ยนะเต็มตัวได้เมื่อไร่ โสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนที่เหลือเรียกว่าพุทธมามะกะธรรมมามกะสังขมามะกะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้านะทนของพวกเราเนี่ยสมัครนับถือท่านก่อนนะคนคนเขามีบุญนะเขาจึงสามารถที่จะเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคได้เขามีบุญนะแต่ของเรากำลังจะทำบุญนะใช่ไห สมมตาเขามีสวนมีผลไม้หลากหลายรับประทานกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมของเราถ้ากําลังคิดจะทําสวนอยู่ก็ไม่น่าเสียใจอะไรใช่ไหมน่าจะรอกินลูกได้ถ้าลงทุนปลูกแล้วนะน่าจะรอได้ผุ้ ก, การยังรอได้เลยเนะรอทุกคนนะครับไม่รอจะทํำยังไง <laughs> มีวิธีอื่นหรือเปล่าทางลับนมีหรนะทางลับมีอยู่ทางเดียวคืออรรยมรตประกอบไปด้ยวยองแปดใครเดินทางนี้ได้พ้นทุกหมดนะ คำถามสำคัญที่สุดว่าวันนี้ปา ร, รบองค์มักข้อใดสักองไหมเอาวันนี้ปา ร, รบองค์มักสักข้อไหมนะตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยเอาย ก, ยกตัวอย่างถ้าปา ร, รบสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างมีห้าอย่างใช่ไหมสัมมาทิฏฐิห้าเนี่ยนะเราปา ร, รบสัมมาทิฏฐิห้าหนึ่งในห้าอันไหนกรรมนะนะเอากรรมง่ายหน่อยท <c oughs> ีนี้ง่ายหน่อยเนี่ยใบยขนาดไหน นะเอาอถ้าปารลองคมัคคือสัมมาสังกปะคือเนคขัมมะสังกปะอัพยาปาทธาสังกัปปะและอวิหิงสาสังกปะเนี่ยนะปารลบ่อยก็แสดงว่าปารลมักบ่อยที่เป็นโลกยะเนี่ยนะแล้วสัมมาวาจาอะไรเนี่ยนะอ่าสัมมาวาจานี่น ะ, ะ, ามมาาาะถ้าเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ี่ประการเนี่ยนะมาพูดคําศัตย์ดำรงอยู่ในคําศัตย์พูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโย์ เรีกว่าสรุปแล้วก็คือพูดแล้วได้ประโยชน์เลยอ่ะแล้วเรื่องนั้นเป็นความจริงด้วยนะพูดแล้วคนฟังได้ประโยชน์เนี่ยนะพูดแล้วคนฟังเขาได้รับความสุขว่างั้นนะแล้วสัมมาตะมันตัปเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องกายไม่พูดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขก็ได้อ่าเนี่ยนะไม่พูดแล้วคนอื่นมีความสุขไม่พูดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขสบายใจอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเมตตานะเพราะนนั้แม้แต่สัมมาวาจาเนี่นะต้องถูกกาละด้วยนะ องค์ของสัมมาวาจาเนี่ยผู้ถูกการการันยูรู้การรู้ประมาณด้วยนะแล้วก็รู้บริษัทเนี่ยนะรู้บริษัท ร, รู้ชุมชนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณนะหาความพอดีให้พบเนี่ยนะการใช้วาจาอันพระพุทธเจ้านี้เป็นสุดยอดของผู้ที่ใช้วาจารพระพุทธเจ้าใช้วาจาสั้นๆก็ ม, มีประโยคเดียวก็พอละ ก็มีบางครั้งพูดแค่ประโยคเดียวบางครั้งเนี่ยพูดอยู่ค่อนคืนบางครั้งพูดอยู่สามเดือนติดกันไม่หย<ด>ุดพระองค์เนี่ยรู้การใช่ไหมดูเอกานิบาตเนี่ยนะเป็นพันพันสูตร เ, เป็นพันสูตรเหมือนกันแต่ก็คําเดียวคําเดียวประโยคเดียวว่า ง, งั้นสั้นสั้นนับหนึ่งสูตรละเห็นไหมพระองค์เนี่ยรู้การมาอังคุตระนิการเนี่ยเป็นสูตรสั้นๆก็เยอะมาชีม น, นิกายสูตรสั้นๆก็เยอะ เออไม่ใช่สั่งยุตานิกายสูตรสั้นๆก็มากเห็นไหมส่วนมัชฌิมนิกายเนี่พระสูตรปานกลางทีคณิกายเนี่พระสูตรยาวๆเห็นไหมส่วนอภิธรรมเนี่ยแสดงติดกันรวดเดียวเลยเห็นไหจนพางแสดงรวดเดียวพระวินัยนี้พระองค์รู้การที่จะบัญญัติว่าเวลาไหนเป็นการเวลาที่เหมาะสมในการบัญญัติพระวินยัยเห็นไหมอันพระองค์นี้เป็นสูตรยอดของผู้ที่ใช้สัมมาวาจาอย่างดีเยี่ยมเห็นไหแล้วก็สัมมากรรมตะ สัมมาอาชีวะที่จริงแล้วเนี่ยสัมมากรรมตะกับสัมมาอาชีวะก็เป็นไปตามวาจานั่นแหละคนที่รักษาวาจาได้ดีกรรมันตะาก็จะดีด้วยอาชีวะของเขาก็จะดีตามไปด้วยเนี่ยนะเพราะว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คำใช่ไหมใครพูดอะไรก็จะไปทําตามที่พูดเมื่อทําที่พูดชีวิตก็เป็นไปตามนั้นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่ ประพฤติในสัมมามรรคเหล่านี้แล้วนี่นะถ้าขาดความเพียรอย่างไรก็ไม่มีผลนะก็ต้องมีความเพียรจึงจะมีผลท่านสัมมาวายามะต้องขยันเนี่ยนะขยันกี่อย่างนะท่ะนาสนสัมมาวายามะเนี่ยต้องสีอย่างเนี่ยนะหนึ่งเพียรพยายามเพื่อที่จะละบาปอากุศลเนี่ยนะ คนพยายามจริงๆก็คือเพียรกำจัดอากุศลวิตกทั้งสามนั่นเองแล้วก็สองเพียรพยายามป้องกันไม่ให้อากุศลวิตกเหล่านั้นเกิดขึ้นหาช่องปิดประตูหมดเลยก็เหมือนกับว่าถ้าเรือเนี่ยนะจะมีช่องอันไหนที่จะทาให้รั่วรั่วก็รีบอุดยาทันทีเลยนะแล้วก็เพียรพยายามเพื่อที่จะทำให้กุศลวิตกเกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลวิตกนั้นให้ ยาวนานต่อไปเนี่ยนะให้มากขึ้นพอกพูนเพิ่มขึ้นอันนั้นจึงเรียกว่าขยันจริงๆเนะีเรียกว่าคนที่มีความเพียรพยายามอันคนที่พยายามนี้จะต้องไม่ไม่ประมาทเนี่ยนะจะต้องไม่ประมาทคาว่าไม่ประมาทก็คือสามารถที่จะทำไมแยกแยะดีแยกแย ะ, แยแยะชั่วเนี่ยนะแยกแยะว่าอะไรเป็นทรัพย์และมีใช่ทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะ แยกแยะว่านี้สติปทานนี้สัมมาปทานนี้อิทิบาทนี้อินซีนี้พะละนี้โพชงนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันถ้าสติดีแล้วก็สมาธิก็จะเป็นไปตามนั้นแหละเห็นั้ันการฝึกสมาธินี่นะมีสติเป็นเป็นตัวฝึกนะยกตัวอย่างเช่นใครอยากจะมีพุทธานุสติเนี่ยนะอยากมีสมาธิ ต้องเจริญผู้ทานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือกายคตาสติอย่างเงี้ยเทวตานุสติอุปสมานุสติอันเจริญสติเพื่อพออพูลสมาธิเนี่ยนะอันถ้าคนสติไม่ค่อยดีเนี่ยนะสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเนี่ยนะถ้าหากว่าสัมมาสติไม่ดีเนี่ยสมาธิที่เขาสงบก็เป็นมิจฉาสมาธิอันถ้ามิจฉาสมาธินี่เกื้อกูลต่อมิจฉาอะไร ต่อมิจฉาทิฐิถ้ามิจฉาสมาธิเกิดนะมิจฉาทิฐิก็จะตามมาอีกง่ายถ้าสัมมาสมาธิเกิดสัมมาทิฏฐิก็ง่ายเพราะว่าสมาธิเป็นปัจจัยฐานของของอะไรญญของปัญญานะีมันก็เขียนเป็นวงกลมนั่นแหละจึงจะถูกนะไม่ควรจะเขียนองค์มรรคแปดแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าลงเรียงมาแต่ควรเขียนในเชิงวงกลมแล้วก็พอกคูณ ส่งเสริมเกื้อกูลกันไปถ้าหากว่าผู้ที่ปารพอริยมรักษ์อันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างสมบูรณ์แล้วเขาก็จะพ้นจากวัตถุกข์วันนี้นึกศรัทธารัตนสูตรมากนะว่าพูดถึงรัตนเครื่องปลื้มใจที่สุดเนี่ยนะว่าใครมีอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจมากที่สุดในโลกนี้มัหรือว่า ใครมีความมั่นใจมากที่สุดอย่างั้ น, น, นก็อยู่ที่ว่าผู้ที่มั่นคงในพระตนาไตรเขาก็จะมั่นใจในชีวิตมากที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีพระตนาไตรคนนั้นก็จะขาดความมั่นใจอย่างที่สุดเนี่ยนะแข็งข้างนอกแต่ข้างในนี้ก็วันไว้อยู่ตลอดเวลาด้วยอํานาจด้วยอำาอะไรด้วยอำนาจอุทัจะเป็นต้นเนี่ยนะก็วันไว้สันคลอนอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ที่มากไปด้วยศรัทธามีปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณของพระตนะไตรถึงข้างนอกหวานไหวแต่ศรัทธานั้นเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับกรัมรมัญญาตาปาคุญยตาละหุตามูทุตาเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดโสพณะสาธารณณะเจตสิกเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในจิตสันดานเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็จะมีความสงบร่มเย็น ข้อความในรัตนสูตรเนี่ยนะคุถกานิกายสุตตะนิบาศกล่าวถึงพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงที่เมืองภัยสาลีเนี่ยนะที่กําจัดอันตรายต่างๆนะที่เกิดจากภัยที่เกิดจากอมนุษย์ไฟที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงไปต้นเนี่ยนะเพราะนั้นพระสูตรนี้ส่วนใหญ่เวลาเขาจะสวดหรือสาธยาย ก็จะต้องระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเนี่ยนะคำว่าระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาจะสาธยาย ส, สูตรนี้เนี่ยระลึกอย่างไรก็ระลึกถึงว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะตั้งแต่พระองค์ทรงตั้งปณิธานตั้งปณิธานเพื่อ เพื่ออะไระตั้งปณิธานเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชมธรรมะสโมโอทานทั้ง8ประการบัมเพญบารมี10บบัเพญอุปปา ร, ปรมี10บบัเพนปรมัทธารมี 10, 10. มหาบริจาค5ธรรมโลกัตัจริยายาตัทจริยาพุทธตัทธจริยาติดโสจริยาประพฤติจริยา3ตลอดระยะเวลา4ี่อสงไขย แสนกับเนี่ยนะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะอนุตรรก็คือเขาเรียกว่ายิ่งว่างั้นเนี่ยอนุตรคือยิ่งมากไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วเขาเรียกว่าอนุตเนี่ยนะอนุตรสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะสัมมาก็คือโดยถูกต้องแม่นยำโดยชอบสัมโพธิก็คือ อริยมรรคยานเนี่ยนะสัมมาสัมโพธิญาณเหมนกนญาณที่ตรัสรู้อริยสัจแห่งตลอดอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งไม่มีญาณอย่างอื่นที่จะยิ่งกว่ายานอันนี้อีกแล้วก็คือนะอรหัตตมรรคยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออรหัตตมรรคยานเกิดขึ้นบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่นะพระคุณอื่นๆก็ติดตามมาอย่างมากมาย พระคุณคือความเป็นอรหรันต์เนี่ยนะอรหันต์ก็จะตามมาสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณนะสัมปันโนหรือพยานต่างๆก็จะเข้ามาทั้งหมดเลยเนี่ยนะพยานตั้งแต่ทศพลยานอนาวรณญญาญจตุเวสารชยานเนี่ยนะสัพพัญยุตยานพยาน ท, ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ปฏิสัมพิธ า, า, า, ายานก็ออกมาฉั้นพยานต่างๆก็ เกิดขึ้นจนพร้อมภูนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทําพุทธกิจนะทำพุทธกิจตั้งแต่นับตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนนเนี่ยเสงเคราะห์อนุเค ร, ราะห์สัพพัสัตทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณสแสวงหาประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลสแสวงหาความสุขแก่สัตทั้งหลายเพราะพระองค์นี้ตึกอยู่เสมอว่าเราพ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นพอพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตึกมากนะคือเจริญกรุณามากวะสะ พระ อ, องค์พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พน้นพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้พระ อ, องค์ข้ามจากวัตฏะทุกได้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ข้ามอันพระ อ, องค์นี้ดับกิเลสหมดแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ไม่ดับกิเลสอั้นอาศัยพระมหากรุณาท่านก็กระตุ้นเตือนให้แผ่ขายพยานตรวจดูสรรพสัตว์แล้วก็ติดตามไปแสดงธรรมนะถ้าหากว่ามีใครพอจะบรรลุธรรมได้ นั่งให้เขาด่าสักคืนหนึ่งก็ยอม <c oughs> นะถ้าเขามีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมนะนั่งให้เขาด่าทั้งคืนเลยเอา้าทําอะไรก็ทำมาเห็นไหมอย่างไปโปรดอราละวะกยักเนี่ยนะอาละวะกยักเนี่ยลองทั้งคืนพองก็ตอนเช้าๆมาเนี่ยสมณะออกไปเอาออกก็ออกเดินออกไปสมณะเข้ามาเอาเข้าก็ เ, าเข้ า, ขาสมณะออกไปเอาออกก็ออกสมณะเข้ามาเอาเข้าก็เข้าสมณะออกไปออกก็ออกสมณะเข้ามา เข้ามาก็บอกว่าเข้าออกไหมไม่ออกแล้วท่านจะทําอะไรก็ทําเออแต่พระองค์นี่โอนส่วนหนึ่งนะก็โอนอ่อนผ่อนตามเนะถ้าเขาแข็งเกินไปเนี่ยนะโปรดไม่ได้ก็โอนอ่อนผ่อนตามแต่ถ้าเขาอ่อนควรแก่การงานพระองค์ก็ยอมใจของเขาด้วยอริยสัจนะแต่ถ้าหากว่าใจของผู้ใดถูกยอมด้วยอริยสัจเรียบร้อยเชื่องทันทีเลยกันนี้ เชื่งหมดแล้วคันนี้ไปที่ไหนก็กราบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่างั้นห่างแต่กายใจไม่ไม่ห่างจากคําสอนนะ่ะเนี่ยนะถ้าจิตของผู้ใดถูกยอมด้วยอริยสัจจะทำแต่ถ้าหากว่าจิตของผู้ใด ย, ยังไม่ยอมด้วยอริยสัจจริงๆนี่ก็อ น, นะอ่อนเป็นพักๆส่วนที่เหลือแข็งกระด้างด้วยอำนานจะอคุศลเพราะนั้นผู้ที่จะสวดสูตรนี้ได้แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ ทำให้เกิดการป้องกันด้วยนะเป็นปริ์ด้วยทําให้เกิดการป้องกันควรที่จะสวดส่วนที่จะสาธยายแล้วก็ทําให้เราทั้งหลายสามารถเจริญพุทธคุณรรมคุณและสังฆคุณด้วยเป็นอย่างดีนที่ในรัตนสูตร น, นะนะใครเคยได้ยินนะยานีทะพูตานิสมาคตานีภุมมานิวายานิวันตลิกเกสัพเพ ว, วะพูตาสุมนาภวันโตอาโทปิาาาสักกจัสนันตุภาสิตังนะ ที่แปลว่ า, าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีนไขอให้มีใจดีๆนะทำใจให้ดีว่างั้นและขอจงฟังภาสิทธโดยเคารพนั่ะก่อนที่จะ ที่จรงสูตรนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าให้พระอนุนเนี่ยเป็นคนแสดงเห็นพระองค์แสดงให้พระอนุนฟังและพระอนุนก็สาธยายสวยดเห็นดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์เห็นไหตรงนี้อัตกถาท่านอธิบายเนื้อหาดีมากว่า <c oughs> คำว่าพูดในที่นี้ก็คือหมายถึงพวก เทวดาทั้งหลายนั่นเองอ น, นะขอคำว่าสุมนาพวันตุมีใจดีก็คือขอให้มีใจเป็นสุขก็คือให้มีใจปีติและสมนัต์เนี่ยเกิดขึ้น น, นะก็อย่าลืมนะว่ามหากุศลนั้นเป็นเวทนาโดยส่วนใหญ่ก็ถ้ามหากุศลอย่างปณิสก็เป็นสมนัตเวทนานะอ่ะก็บอกว่าขอผู้ทั้งปวงจงตั้งใจคือทาไว้ในใจ ได้แก่ประมวลมาด้วยใจทั้งหมดจงฟังเทศนาของเราซึ่งจะนาสมบัติอันเป็นทิศและโลกุตระสุขมาให้ถามว่าทำไมต้องตั้งใจฟังเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทิ่ผสมบัตและโลกุตระสมบัติะะนั่นก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีเหมือนกันสักกัดจังสุนันตุพาสิตังพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากาหนดพูดทั้งหลายเนี่ยนะ โดยไม่แน่นอนว่ายานีทะภูตานี่ก็คือไม่ไม่ได้จำกัดว่าพูดท่านใดมางกันเพราะฉะนั้นก็เน้นผู้ที่มาประชุมกันก็บอกว่าด้วยบทว่าสัพเพวภูตาทั้งปวงแล้วท่งประกอบไว้ในอาสยะสมบัติด้วยคำว่าสุมนาภวันตุทำอัธยาศัยให้ดีนะอาสยะก็คือสัมมาทิฐิและนิชาทิฐิทำใจไม่ให้ดีตั้งอาัยะไว้ให้ดีนะ อาสยะก็คือที่ว่าอัธยา อ, อัธยาศัยอ น, นะนั้นคําว่าอัธยาศัยตรงนี้เนี่ยซ้ำหมายถึงสัำ ม, มาที่ทิและมิจฉาทิฏก็คือให้ตั้งสัำ ม, มาที่ทิฏไว้ให้ดีเห็นไหมอาสยะบิดัตอายสยะสมบัติเนี่ยเจริญพรก็ดูในโลกวิทูร์นนะคาว่าอาสยะตรงนั้นนะหรือว่าในโทษสพลยานะอ่ะแล้วก็สุมนณาพวันตุนะสุมนณาภวันตุ นี้ก็บอกว่าอาสยสมบัตินะทําใจให้ดีแล้วก็ประกอบในประโยค่าสมบัติด้วยว่าสักกัตจังสุนันตุภาสิตังตั้งใจฟังให้ดีอันนี้เป็นประโยค่าสมบัตินะอา้าวเลยนะอาเมื่อกี้ก็บอกว่าทําใจให้ดีนะอันนี้เป็นอาสยะตั้งใจฟังนะเป็นประโยค่ะอา้าวถ้าประโยค่าวิบัติทําไงอะ คนเทศก็เทศไปคนพูดก็พูดไปอย่างเงี้ยอันนี้ประโยควิบัติแล้วนะนี่มันก็ทางกายใช่ไหมทางกายมันจะต้องเงียบโสดว่า ง, งั้นปิดทวารอื่นจะต้องปิดทวารอย่างอื่นเพื่อที่จะรับพระธรรมอย่างเดียวอันนี้ชื่อว่าเป็นประโยคนสมบัตนะนขอจงตั้งใจฟังโดยเคารพแล้วก็ทรงประกอบไวในโย น, นิโสมนัิการและปะโตโคสะด้วยคําว่าสักกัตจังสุนันตุภาสิตังนะ จงทำขาเรีาขอจงตั้งใจฟังโดยความเคารพอันนี้เป็นโยนิโสนะตั้งใจฟังนี่เรียกว่าโยนิโสมนัิการและประโตโคลสะเพราะว่าถ้าโยนิโสแล้วก็รับเสียงจากภายนอกเข้าไปแล้วก็พระองค์ก็ทรงประกอบในอัตตะสัมมาปณิธิและสัพปริสูปณิสยะเห็นไหมและทรงประกอบในสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติและเหตุสมบัติด้วยว่าสักกัตจังสุนันตุภาสิตัง พนะคําว่าจงตั้งใจฟังโดยความเคารพเนี่ยนะมีความหมายหนึ่งนะทั้งโยนิโสด้วยนะภายในเรียกว่าโยนิโสภายนอกว่าปบบปตโคลสะเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิคือการฟังแล้วก็ในขณะที่ตั้งใจฟังอันนั้นก็เป็นอัตตะสัมมาปณิธิด้วยและคนที่จะได้ฟังนั้นก็ต้องเป็นคนที่อาศัยสัพ บ, บุรุษใช่ไหมสัพ บ, บริสุสังเสวะเนี่ยนะแล้วก็ตั้ง สมาธิตั้งปัญญาตั้งเหตุเอาไว้ให้ดีนะในขณะที่ฟังนั้นจงฟังว่างั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเนี่ยนะพระพุพทธพจน์ที่เกือบทุกสูตรเลยนะเราจะ ก, กล่าวต่อไปเนี่ยนั้นอธิบายในลักษณะนี้หมดคําว่าสัพเพได้แก่ไม่มีส่วนเหลือท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายไว้ว่ า, วาเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายคือเทวดาได้ละทิพยสถานและอุปโภคสมบัติ บริโภคสมบัติได้มาประชมกันในที่นี้เพื่อฟังธรรมหาได้มาเพื่อจะดูนักฟ้อนการฟ้อนไม่ว่างั้นไม่ได้ดูมามาดูมหรศพนะว่างั้นเพราะฉะนั้นแลขอผู้ทั้งปวงจงตั้งใจฟังอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเทพเหล่านั้นเป็นผู้มีใจดีและเห็นว่าเทพเหล่านั้นต้องการที่จะฟังโดยเคารพจึงตรัสพระดารัสว่าสักกัจจังสุนันตุจงฟังโดยเคารพเพราะ ที่ท่านทั้งหลายประกอบด้วยอัตตะสัมมาปณิทิโยนิสโสมนัสิการและอาศัยสุทธิโดยความเป็นผู้มีใจดีทั้งประกอบด้วยประโยค่าสุทธิโดยมีสัพ ป, ป, ปริสูปณิสยาปะโตโคสะเป็นปัจจทฐานเพราะต้องการจะฟังโดยเคารพเพราะฉะนั้นแลขอให้ผู้ทั้งปวงจงตั้งใจฟังและอีกอย่างหนึ่งนะคำใดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่สุดแหง่งคาถาว่าภาสิตังเนี่ยนะจงตั้งใจไอคาว่าฟังเนี่ยนะ ฟังพาสิทธ์เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอ้างถึงคำนั้นโดยความเป็นเหตุจึงตรัสว่าธรรมดาว่าพาสิทธ์ของเราบุคคลได้โดยยากอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ขณะซึ่งเว้นจากขณะทั้งปวงเป็นขณะที่หาได้ยากใช่คือขณะที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกและแสดงธรรมเนี่ยเป็นของยากทั้งเป็นคามีอนิสงส์เป็นอนเอกนกะเพราะเป็นไปด้วยปัญญาคุณและ กรุณาที่คุณเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระธรรมคาสอนเนี่ยนะมีมีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมเสียงเมื่อมีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยจิตที่ทําให้เกิดเสียงคําสอนนั้นจิตนั้นเป็นมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยและมีกรุณาเกิดร่วมด้วยจึงแสดงเนี่ยนะแต่ว่าพื้นฐานมาจากความบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีเหมือนกัน เสแล้วในขณะที่ฟังก็จงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่มนุษย์เหมือน น, นเมตตังกะโรธะมนุสยาปชาญาเนี่ยนะก็คือมนุษย์นี้ใดอันอุปวัวถวสามประการประทุสร้ายแล้วขอท่านจงเข้าไปตั้งเมตตาคือเข้าไปตั้งมิตรภาพได้แก่ความเป็นผู้มีอัธยาศัยเกื้อกูลในหมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์นั้น อันการเจริญเมตตาก็คือการน้อมจิตด้วยความเกื้อกูลไปในสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะประสงค์ให้เขามีความสุขประสงค์ให้เขามีความเจริญนั่นแหละเรียกว่าเมตตาเนียนะเรียนพมิหารจบมานี้ใครได้แพ่คิดเมตตาไปในทั้งสิบทิศได้หรือยังได้แม่เป็นบางทิศนะเนีะได้ไกลหรือเปล่านะ เป็นบางทิศแล้วก็ทิศที่ใกล้ด้วยนะไม่ไม่ยาวแค่ตามองเห็นนหละในรัศมีจากภูวิญญาณเนี่ยนะท่านน่านาจะในรัศมีมโนโวิญญาณเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ตันหานี่มันแผ่ไปครอบอข้ามทวีปนะตันหาเนี่ยนะแต่เมตตาเนี่ยหมามันมันจำกัดเหลือเกินเนี่ยนะแต่โทสะนี่บางทีมันข้ามประเทศด้วยนะเมตตามันอะไรนะจะได้ข้ามทวีปมั้ง <c oughs> เขาบอกว่าชนเหล่าใดสร้างเมตตาจิต ด, ด้วยามสามารถแห่งพัะสูทั้งหลายคือคืออา น, นิสงค์ของเมตตาเนี่ยนะมีมา ก, ก น, นะที่บอกว่าพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับปรือสีชนะแผ่นดินอันประกอบไปด้วยมูสัตอันเจริญรอยตามกันบูชายันเหล่าใดคืออัศเมธะปุริสเมธะสัมมาปาสะวาชปะยะ คำว่าอสเมธาก็คือปรีชาในการบำรุงสัตว์พาหนะมีม้าเป็นต้นบรุสเมธาก็คือปรีชาในการเกลี้ย ก, กล่อมประชาชนสัมมาปาสาก็มีอัธยาศัยเนี่ยดุดบ่วงคล้องน้าใจประชาชนและวาชเปะยะทรงมีพระวาจาที่ดูดดื่มใจคนมางั้นนิรักขละก็คือทรงปกครองพระนครโดยไม่ต้องมีลิ่มกลอนโหชาวบ้านนี่อยู่เย็นเป็นสุขเ อ, อิบอิ่มไปหมดมางั้น มหายันเหล่านั้นยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาจิตที่อ บ, บรมดีแล้วปราชาปกครองแผ่นดินเนี่ยนะต้องจิตเป็นมหากุศลเป็นอย่างมากเห็นไหมจึงจะปกครองแผ่นดินได้ระดับนี้ก็บอกว่าบุญกุศลอันนั้นก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาจิตที่อ บ, บรมดีแล้วถ้าหากว่าบุคคลไม่มีจิตปัทุสรา้ายเนี่ยนะเมตตาอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยนะย่อมแพ่เมตตาไปยงังสัตว์แม้ตัวหนึ่ง เพราะเหตุนั้นกุศลจึงมีผู้มีจใจเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐทำบุญมากานะขอให้มีเมตตาจริงๆเออนะแล้วก็เกื้อกูลนี่นะแผด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะไปหาสัตว์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแพรขยายไปเรื่อยๆจนถึงกับไม่มีเวรเอคือว่าไม่มีเวรไม่มีศัตรูแล้วก็ไปในทิศทั้งปวงไม่มีประมาณเนี่ยนะถ้าทำใจได้ขนาดนั้นเนี่ยบุญนี้ก็ทำไม่ยากนักเนาะ แต่มันก็คิดยากนะที่จริงบุญก็อยู่ที่ใจนั่นแหละแต่ทำยากเหลือเกินแต่ก็ใจของเราก็มีส่วนใหญ่ชวนะก็มีอยู่2ชาติแล้วนะเป็นกุศลกับอกุศลคนที่จะเจริญกุศลเหล่านี้ได้ต้องเห็นโทษของอกุศลจริงๆนะนะว่าอกุศลนั้นให้ผลอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะต้องต้องมั่นคงในเรื่องกรรมมากจึงจะรักษากุศลและเจตนาต่อไปได้ถ้า ไม่มั่นคงในเรื่องกรรมจริงๆนะเจริญเมตตาไปเอ๊ะคนนั้นเขาไม่ดีอ่ะมาแล้วเขาไม่ดีจริงๆอ่ะเอาไม่ดีก็เรื่องของเขาแล้วทำไมเราไปโกรธเขาด้วยอ่ะขอบาปหน่อยเถอะบางคุณไม่ดีฉันขออากุศลมาร่วมหน่อยแจมๆด้วยขอมีหุ้นด้วยนะไมันชอบแบบนั้นนะอกุศลเนี่ย แล้วก็พระ อ, องค์ตรัสต่อไปว่ามนุษย์เหล่าใดานำพลีกรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นแล่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ร, รักษามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยนะมนุษเวลาทําบุญก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เทวดาใช่ไหมในพระสูตรบาง ห, หลายแห่งเลยพระ อ, องค์ตรัสถึงการที่มนุษย์อยู่ที่ไหนก็ควรทําบุญแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เทวดาเวลาตักบาตรเป็นต้นนี่นะตักบาตรผู้การอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เทวดาไหมโอ้ทุกชา้านะสาธุเทวดาปกปกัปกรักษาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมนุษย์เหล่าใดที่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าให้เทวดานุมโมทนาเพราะฉะนั้นขอให้เทวดาเหล่านั้นช่วยปกปักรักษา ม, มนุษย์ด้วยนะทั้งกลางวันและกลางคืนเ <c oughs> หมือนกันวันนี้ลงครูแล้วเมือนกนลงน้ำไปแล้วนะ<ล><ล>เพราไอ้คางยังลงถนนเลยนะของเราเนียอาบน้ำเนอ่ยก็บอกว่าแล้วก็โปรงตัดต่อไปว่า ยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังปณิตังเนี่ยนะซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์รัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยเห็นไหมภธรัตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้นไนะอันของมาวันนี้ก็เอ เป็นทั้งมงคลเป็นทั้งแสดงธรรมทีเดียวกันเบ็ดเตล็จเลยให้พรพร้พอมทีเดียวเบ็เ็จเลยนะปิดเทอมลอะเพราะในบรรดาทรัพย์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะหรือว่ารัตนะอย่างใดที่ปณิทั้งหมดในมนุษย์ในสวรรค์ทรัพย์และรัตนะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะที่จะเสมอยิ่งด้วยพุทธรัตนะไม่มีเนี่ยนะ พุทธรัตนเนี่ยประเสริฐที่สุดในบรรดาทรัพย์เครื่องปลื้มใจแก้วแหวนเงินทองอะไรที่ว่าดีๆทั้งหมดเลยนะถ้าเทียบโดยบุคคลนะพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดว่างั้นแทะทางโดยนามกายและรู ป, ปกายเนี่ยนะรู ป, ปกายพระ อ, องค์ก็เหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดและนามกายเนี่ยนะก็ดีที่สุดเนี่ยนะมันคำว่ารัตนเนี่ยนะ เขาบอกว่ารัตนะมีวิเคราะห์ว่าสิ่งใดย่อมนํามาคือย่อมพามาซึ่งความยินดีอะไรก็ได้ที่นําให้เกิดความยินดีนะย่อมยังความยินดีให้เกิดให้เจริญเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่ารัตนะสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความยินดีทําให้เกิดความปราบเปลื้มใจเนี่ยนะใครใครมีเครื่องปราบเปลื้มใจมากคนนั้นก็เรียกว่ามี รัตนาใช่ไหมเช่นคนมีแก้วมีแว่นมีเงินมีทองอันนั้นก็นับว่าเป็นรัตนาใช่ไมเพราะก่อให้เกิดความตรับเรื่มใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลทําการบูชาเออสิ่งนั้นก็เรียกว่ารัตนะนะหรือเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่ช่างไม่ได้สิ่งที่พบเห็นได้ยากและไม่ใช่เป็นของที่สัตว์ตาต้อยบริโภคคานี้ก็เป็นชื่อของรัตนะ นั้นคำว่ารัตนนะมีหลายความหมายนะเช่นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความปลื้มใจ 2. ส, สิ่งที่บุคคลทำการบูชา 3. เป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่างไม่ได้ 5. พบเห็นได้โดยยาก 6. ไม่ใช่เป็นของที่สัตว์ต่ำต้อยจะพึงบริโภคก็เรียกว่ารัตนะเนี่ยนะอย่างเช่น แค่ข้าวของเครื่องใช้ในโลกเนี่ยของประเสริฐประเสริฐเนคนต่ำต้อยมันมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้วเห็นไหมเพราะนั้นดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งที่บุคคลทําความยําเกรงมีค่ามากช่างไม่ได้เห็นได้ยากและไม่ใช่ของสัตว์ที่ต่ำทรามบริโภคเพราะเหตุนี้เราจึงเรียกว่ารัตตนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นรัตนะหรือทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้นะทั้งในมนุษย์ทั้งในสวรรค์ทั้งในพรหมโลกรัตตนะเหล่านั้นที่จะเสมอด้วย พุทธรัตนะไม่มีในบรรดาพรมที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยนะก็นับว่าพรมสุทาวาสเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดใช่ไหมในบรรดาพรมทั้งหลายเนี่ยนะพรมชั้นสุทาวาสเพราะมีทั้งพระอนาคามีมีทั้งพระอรหันต์แต่พระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนะนั้นคิดดูนะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นรัตนะที่ประเสริฐสูงสุดมีค่าขนาดไหน นะรัพที่เสมอด้วยพาตถาคตไม่มีพาตทาคตมีกี่ความหมาย <6. S 1> มีแปดความหมายนะคุณลุงในเท่าไหร่นะสเจ็ดนะเกือบถูกนะอารหังนะอ่ะอรหัง <5. S 1> นี่สิเจ็ด <7. S 1> นะนะาตถาคตแปดมีสองในด้วยนะเท่ากับสิบหกทรัพที่เรียกว่ารัตนะข่าวของที่ปณิสเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มี ถามว่าใครเคยเขาบอกว่ารัตนา this เป็นเครื่องทําให้เกิดความยินดีนํามาซึ่งความปราบปลื้มใจใครสวดมนต์ไหว้พระหรือตามระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจบ้างแสดงว่าคนมีรัตนะอืฉยาถ้าเฉยๆก็แสดงว่าแหมไม่ได้ใช้รัตนะอย่างเต็มที่อนะก็ตู้เบีเขาก็ไม่ถึงกับโสมณัสหรอกครับไม่โสมนัสนะเมื่อไร่จะโสมณัสนะ <c oughs> ก็คือคิดดูนะคนที่แต่งตัวเนี่ยนะมีเครื่องประดับอย่างเต็มที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะภูมิใจใช่ไหมก็นานทีครับถึงจะสมน้ำสทีเพิ่มใหญ่พูดการตอนนี้รับราชการเนี่ยแต่งตัวเต็มยอเต็มที่เลยนี่เพิ่มใไหออกงานนี่เพิ่มใจวะไม่ก็แต่งตัวเต็มที่เลยนะสุดยอดเลยว่างั้นเดี๋ยไม่มีอะไรจะแต่งขนาดนี้แล้วแล้วออกงานเนี่ยเพิ่มใจหลุงรังร้อนย ไม่ไม่ตอนแต่งตัวจะออกงานเพิ่มเขาไม่บอกกันนะในเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะว่านึกถึงผู้ตรคุณเนี่ยปลื้มใจแบบนั้นไหมก็คิดดูนะถ้าขณะที่แต่งตัวธรรมดาก็คือเอารัตนะธรรมดาทั่วไปมาประดับเต็ม ต, ตัวหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นก็ก่อให้เกิดความปราบปลื้มใจอั้นถ้าเราเจริญพู้ตคุณเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธรัตนะอนะบริโภคใช้สอยท่านแล้วปลื้มใจมากเลยนะ ผมจะเล่าเรื่องความปื้มใจเรื่องแต่งตัวนี่นะครับคือพอเป็นนักเรียนในร้อยปีหนึ่งะฮะเขาจับเข้าไปฝึกอย่างเร็วร้ายที่สุดนะประมาณสักเดือนสองเดือนแรกน ะ, ะแล้วเขาก็ดูว่าคนไหนเนี่ยผิดน้อยที่สุดนะหรือไม่ผิดเนี่ยาาก็หมายความว่าจึงจะประดับยศแต่งตัวชุดนักเรียนในร้อยวันวันแรกมาทุกคน รอวันนั้นมากเลยเนะถ้าหากว่าผู้ใดบุกร่องมากนะครับวันนั้นไม่มีสิทธิ์แต่งเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จะกลับเอาเครื่องแบบไปอวดพ่ออวดแม่นะโอโ้โหไปอวดแฟนเติมเลยนะบางคนไม่ได้แต่งครับร้องไห้เลยบางคนไม่ได้แต่งร้องไห้ไม่ได้ใช้รัต์หน้าเขาบอต้องอยู่อีกอาทิตย์หนึ่ง เพราะนัเขาบอกว่ารัตนะที่ทก่อให้เกิดความปราบราเลิ่ใมใจเนี่ยนะเขาบอกว่าทั้งหมดเลยไม่มีรัตนะใดที่จะก่อให้เกิดความปราบเลิ่มใจเหมือนกับพุทธรัตนะใช่ไหมคือถ้าโดยธรรมดาทั่วไปสิ่งที่ก่อให้เกิดความปราบเลิ่มใจแค่แค่ครั้งเดียวน้ยแต่งตัวอย่างที่ว่าเนี่ย <St ığımız> ก, donné, ก็ครั้งสองครั้งนี่ก็วันหลังก็หมดเพิ่มเนี่นะแต่พุทธรัตนะเนี่ยนะใครเจริญพุทธคุณบ่อยๆก่อให้เกิดความปลืมป้มใจบ่อยๆบ่อยๆใครเจริญได้มากทราบซึ่งมากก็ปลื้มใจมากขนาดนั้น อันพุทธรัตนะนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากแล้ว อ, อย่างอีกอย่างหนึ่งเนีเขาบอกว่ารัตนะเพราะเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันบุคคลพึงยําเกรงเรียว่าเป็นสิ่งที่คนจะต้องเกรงเหมือนกันเถอะเรียกว่ารัตนะเช่นจักรรัตนะมณีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นมาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ไปบูชาที่อื่นก็จะบูชาวัตถุเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของที่น่ายำเกรง แต่เขาบอกว่าสิ่งที่จะน่ายำเกรงแบบนั้นนะที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีนะเพราะว่าเมื่อพระธราคตอุบัติขึ้นแล้วเทวดาและมนุษย์ผู้มีศักย์ใหญ่เหล่าใดเหล่าหนึง่งเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นหาได้ทำความยำเกรงในที่อื่นไม่ทั้งยังไม่ยอมบูชาสิ่งอื่นใดเห็นนะท้าสหัมบดีพรมเนี่ยนะบูชาพระธรรคต ด, ด้วยพวงรัตนะเท่าภูเขาสิเนรุ ใช้เพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยประดับอย่างใหญ่โตภูเขาซิเนรุเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าเทพเจ้าและมนุษย์เหล่าอื่นมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเประเซนที่โกศลานาถบินธิกะก็บูบูชาพระพุทธเจ้าตามกำลังพระเจ้าอาโศกเนี่ยหมดทรัพย์96โกดให้สร้างวิหาร 84,000 แห่งทั่วชมพูทวีปอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานแล้วเนี่ยนะ จะป่วยกล่าวไปยัยถึงชนเหล่าอื่นที่ทำความยำเกรงในพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, อ, ะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะ ก, กระทำความยำเกรงและทำความเคารพย่อมเป็นไปเจาะจงต่อสถานที่ประสูตรสถานที่ตรัสรู้และสถานที่สทแสดงธรรมมาจักและสถานที่ปรินิพานหรือปฏิมากรรมเจตยสถานเป็นต้นของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพานแล้ว เหมือนกับทาการบูชาความเคารพเจาะจงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นที่ชื่อว่ารัตนะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีแม้เพราะอาจว่าอันบุคคลทาการบูชาอันผู้ธรศาสนิกชนเนี่ยหลังไลไปจากทั่วโลกเลยนะเพื่อที่จะไปกราบไหว้สังเวชนียสถานเป็นต้นเนี่ยนะ <c oughs> หรืออย่างหนึ่งนะรัตนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ถ้ามีค่ามากสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะก็ไม่มีมนะนะเพราะอะไรเพราะว่าพระตรรโคดเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลของชนเหล่าใดผ้าบางสกุลนั้นของชนเหล่านั้นก็มีผลมากว่างั้นสรุปแล้วใครไปทําบุญกับพระพุทธเจ้า ก, ก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลเพราะนั้นการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะถ้าใครที่เจริญพุทธคุณเป็นก็ได้รับผลมากมายมหาศาลเหมือนกัน หรืออย่างหนึ่งคำว่ารัตนะเพราะช่างไม่ไดนะ้สิ่งที่จะช่างไม่ได้อย่างเช่นจักแก้วของพระเจ้าจากักระพัดสา ม, มารถทำให้ได้รับทวีปทั้งสี่ช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วคุนคลางแก้วคุนพลนแก้วเนี่ยนะเขาบอกว่าหรือรัตนะอย่างอื่นอีกที่คล้ายลักษณะนี้ที่ช่างไม่ได้คือตีราคาไม่ได้นะ เป็นของที่ตีราคาไม่ได้แม้รัตนะอย่างหนึ่งในบรรดารัตนะเหล่านี้ที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีพระธถาคดเจ้านั่นแหลจัดว่าเป็นรัตนะนะเพราะใครๆช่างไม่ได้คือไม่มีใครที่จะช่างพระองค์ได้ด้วยอํานาจของศีลนี่นะไปตวงไปช่างดูซิว่าพระองค์มีศีลเท่าไหร่มีสมาธิมีปัญญานะหรือด้วยพระคุณอย่างอื่นนะมีปัญญาคุณมีพยายามต่างๆเนี่ยนะ เมื่อจะกำหนดว่าพระธถ า, าคตมีคุณเท่านี้บุคคลที่จะเสมอหรือที่จะเปรียบเทียบได้กับพระธถ า, าคตเจ้านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นรัตนะที่จะเสมอด้วยพระธถ า, าคตเจ้าย่อมไม่มีเพราะจว่าใครๆครช่างไม่ได้หรืออย่างหนึ่งก็บอกว่ารัตนะเพราะเห็นได้ยากเป็นรัตนะที่เห็นได้ยากอย่างพวกเรายังไม่เคยเห็นเลยเนะยาะเห็นรูปปัจายังไม่เคยเห็นนะถ้าใครเห็นธรรมะก็พอที่จะเห็นคาสอนได้บ้าง ท่า น, นะนรัตพุทธรัตนะเนี่ยเพราะบุคคลเห็นได้โดยยากเหมือนกนนะะเพราะว่าแหมแกละเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นอสงไข่กลับเลยนะยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยตลอดอสงไข่กลับเนี่ยนะกลับหนึ่งเนี่ยนับยาวเลยใช่ไหมกลับอย่างนี้เอาเลขศูนย์มาตั้งร้อยสี่ิบตัวเนี่ยนะตลอดนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็มีเห็นไหยาวกว่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเห็นได้ยาก ของเรานี้ถ้าไม่เห็นธรรมะของคําสอนในช่วงนี้แล้วก็โอ้โหยาวแน่เนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรููเนี่ยแผ่นดินหนาประมาณสิบหกกิโลเมตรก็อรอไปแล้วนนแล้วตอนนั้นไม่รู้จะได้เห็นทันหรือเปล่ามนุษย์มีจกักรคูภาษาทรูปหรือเปล่ามนุษย์พอที่จะได้เห็นพระองค์เนี่ยนะอันท่ากุศลกรรมไม่หนักจริงๆก็ยากเหมือนกันอันพระองค์เรียกว่ารัตนะเพราะเห็นได้ยากอันนั้นนะพระองค์จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเหมือน ที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในก่อนดับขันปริญิพานว่าดูก่อน อ, น, อนุนเทวดาทั้งหลายพากันยกโทษว่าพวกเรามาจากที่ไกลเพื่อจะได้เข้าเฝ้าพระตถาคตเจ้าเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกในการบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ในวันนี้เป็นการปรินิพานแห่งพระตถาคตเจ้าจักมีในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ก็ภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่นี้ยืนบังอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พวกเราทั้งหลายไม่อาจจะเห็นพระตถาคตในการภายหลังจากนี้ได้คือเทวดาเนี่ยนะวันที่พระองค์จะดับขันปริณิพานเนี่ยพากันมาจากทิศเนี่ยนะในจั ก, กรวาลไหนที่รู้ข่าวเนี่ยจะมาทั้งหมดเลยนะเพราะจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวมีเป็นแสนๆกวจักรวาลเหมือนกันนะ นั้นก็พากันมาแล้วพระมหาจุลธาเนี่ยยืนอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้ายอยู่ยืนพัดยืนอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยนะทีนี้เทวดาที่มาในทิศนั้นเนี่ยพระมหาจุนทาเป็นพผ้รหันนั้นไม่มีใครมองข้ามพระจุนทาไปเห็นพระพุทธเจ้ า, า, า ไ, ไ, ได้อะเทวดาก็เสียใจเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าจุนทาหลีกไปให้พระมหาจุนทาหาทลีกออกไปเพื่อเทวดาที่มาหลังไรจะมาจากทิศต่างๆมาจากประปวานต่างๆจะได้มองเห็นพระองค์ได้ ถนัดปราณนั้นเห็นได้ยากนะกว่าจะได้เห็นนะแล้วอย่างาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะในะห่วงของจักรวาลซึ่งเป็นเวลายาวนานใช้เวลาอยู่4ี่สิบห้าปีเองนะในรู ป, ปกายเนี่ยสี่สิหปีซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากนะถ้าสํานวนเราก็เหมือนกับเอาอะไรเอาไม้ไปกรีดน้ําเนี่ยวาบเดียวเท่านั้นเองนะหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยประมาณั้นเทวดาบางพวกก็บอกว่าร้อยดอกไม้ยังไม่เสร็จเลย ร้อยดอกไม้ตั้งแต่พระองค์ประสูติเนะ น, นี่ยนะพองค์จะนิพานแล้วร้อยดอกไม้ยังไม่เต็จเลยใช่หมเพราะพระองค์มีอายุตั้งแต่ตั้งแตง่ใช้ชีวิตทั้งหมดประมาณแปดสิบปีใช่ไหมไม่ถึงวันหนึ่งของดาวพฤหัสเลยเร็วมากอะ่ะโอ้โหสั้นจริงๆไม่กี่ชั่วโมงของยามาเนี่ยนะแล้วก็ไม่กี่นาทีของสวรรค์ชั้นปรินิมิ ต, ตวาวสวัสดี ก็ว่าสํานวนเราก็หายพรมหายใจ ย, ยังไม่ทันทั่วท้องเลยนะพระองค์ดับขันตอนนี้นิพพานแล้วนะถ้าแบบยาวๆแบบพรมเนี่ยนะชั่วระยะเวลาสั้นๆ น, นิดเดียวอันผู้ที่จะได้พบได้เห็นท่านเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะเห็นรูปประกายก็นับว่าเห็นยากและเห็นคําสอนเนี่ยนะธรรมะที่จะทําให้พระองค์ตรัสรู้อันนั้นก็ยิ่งเห็นยากเข้าไปอีกนะเห็นได้ยากจริงๆเนาะหรือเขาบอกว่าเชื่อว่ารัตนะ อันสัตว์ตำสามอ่าเป็นสัตว์ที่ต่ำสามบริโภคกันคือคนที่จะได้บริโภครัตนะดีๆก็ต้องเป็นคนมีบุญมากว่างั้นแต่พุทธรัตนานี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าจักกรัตนาเป็นต้นของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าจักรัตนะเป็นต้นนั้นมิได้บังเกิดขึ้นเพื่อการบริโภคใช้สอยแม้ของคนทั้งหลายผู้มีทรัพย์ถึงแสนโกรธก็ดีขณะรวยเป็นแสนโกดก็ไม่ได้มีบุญใช้ จักรัตนะนั้นนะชนทั้งหลายผู้อยู่บนปราศาสตร์อันประเสริฐเจ็ชั้นก็ดีของบุบรุษผู้ต่ำสามผู้เกิดในสกุลต่ำ ม, มีคนจันทานคนช่างสารนายพรานช่างไม้ช่างรถคนเทขยะาก็ดีโดยที่สุดแม้ความฝันแต่จกักรรัตนะนั้นเป็นของควรบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามเท่านั้นเพราะบังเกิดขึ้นเพื่อการบริโภคของพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้อุปโตสุดชาติ ซึ่งบำเพ็ญจักรวัติวัตสิบประการบริบูรณ์เท่านั้นนะนะจากรัตน์เนี่ยนะพระเจ้าจากักรพรรดิเท่านั้นแหละจึงจะมีเศษใช้สอยแม้จากรัตนะเป็นต้นนั้นที่เสมอด้วยพุทธรัตน์ย่อมไม่มีก็ถ้าหากว่าที่ชื่อว่ารัตนะเพราะอาจว่าสัตว์ที่ไม่ตามซามบริโภคแล้วไซพระตถาคตเจ้าแลก็จกักก็จักเป็นรัตนะด้วยว่า พระธถาโคดเจ้าเชื่อว่าไม่ควรแก่การบริโภคคือไม่ควรแก่การนับถือของสัตว์ทั้งหลายผู้ต่ำทามซึ่งไม่มีอุปนิสัยนะคนไม่มีอุปนิสัยไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านะอย่างอย่างยุคนี้คนนับถือพระพุทธเจ้ากับไม่นับถือเนี่ยไหนมากกว่าถ้าไม่มีอุปนิสัยไม่มีมหากุุสที่สะสมมาในการนับถือเนี่ยไม่ได้นับถือง่ายๆนะแค่คิดจิตคิดจะนับถื อ, อยังยากเลยอะ จำกล่าวไปยายจะไปปฏิบัติตามคำสอนด้วยนะยากกันนั้นเองวันสัตว์ที่ไม่มีอุปนิสัยก็ยากอย่างเช่นครูปุรณะกัสปะเป็นต้นหรือลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะลูกศิษย์ของครูปุรณะกัสปะถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะซึ่งมีความเห็นวิปริตของคนเหล่าอื่นเห็นปานนั้นโดยที่สุดแม้โดยความฝันก็ไม่นึกนับถือเลยอย่างนั้นะ แต่ว่าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ควรแก่การบริโภคของชนทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยถึงพร้อมผู้สามารถเพื่อจะบรรลุเป็นพระอารหรันต์เนี่ยนะถ้าหากว่าเอาแบบสุดยอดเลยนะที่จะได้ใช้สอยพุทธรัตนะเต็มที่ก็ต้องคนที่มีอุปนิสัยแห่งอรหันต์นั่นแหละในที่สุดแห่งคาถาอันประกอบด้วยบท4ผู้มีนิเพที่กะาณทัศนะยานทัศนะที่เป็นไปในส่วนแห่งการชัแร ก, กิเลส มีพระพะย่ะทารุจีริกะเป็นต้นและแห่งพระมหาสาวกผู้เกิดในสกุลใหญ่เหล่าอื่นด้วยว่าอริยาสาวกเหล่านั้นยังการบริโภคนั้นให้สําเร็จอยู่ด้วยอนุตติยะทั้งหลายมีทัศนานุตติยะเป็นต้นนะถ้านนเนี่ยได้ทัศนานุตติยะได้เห็นอันยิ่งสวนานุตติยะได้ฟังอย่างยิ่งและก็ปาริจริยานุตติยะก็คือปาริจริย า, ายก็คือการเข้าไปประพฤติ เข้าไปปรนิบัติรับใช้เนี่ยนะแล้วก็ได้ศรัทธานะได้สิกษาอนุตริยาพระนั้นพระนนเนี่ยได้อนุตริยะอย่างบริบูรณ์เพระั้นพระริย า, าเจ้าอื่นๆก็ได้อนุตริยะอย่างบริบูรณ์ mm hmm. เพราะฉะนั้นเชื่อว่าได้บริโภคซึ่งพระตถาคตเจ้ารัตนที่เสมอด้วยพระตถาคตเจ้าแม้พราะว่าสัตว์ที่ไม่ตามสามบริโภคย่อมไม่มีเฉะนั้นคนธรรมดาเนี่ยจะบอกให้เขานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าคิดว่า ง, ง่ายนะ เขาไม่ได้สะสมะกุศลจิตมาพอสมควรเนี่ยไม่ได้นับถือพระองค์ง่ายๆนะนนถ้าหากว่าสา้งหลายนับถือพระองค์หมดนะพระองค์ช่วยให้ตรัสรู้รำหมดนะของเราเองยังนับถือเป็นเวลาเวลาเลยนะคิดอย่างอื่นก็ลืมนับถือพระพุทธเจ้าเลยไม่เหมือนพระอริยะสาวกท่านก็ห่างแต่รู ป, ปกา ย, ยและใจของท่านก็คิดถึงคําสอนอยู่ตลอด ที่ดูนะขนาดเห็นท่านยังมีอินทรีย์สังวรได้ยินก็มีอินทรีย์สังวรเป็นต้นคําสอนเกี่ยวกับเรื่องสังวรทั้งหมดเหล่านี้ของใครก็ของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาใสา่ใจในอินทรีย์สังวรทั้งหลายเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละนะปารออินทรียสังวรทีก็นึกถึงคําสอนทีนึกถึงพระพุทธเจ้าทีอันนึกถึงพระธรรมในมากเท่าไหร่ก็เท่ากับได้ใช้สอยพระองค์มากเท่านั้นแหะ ของเราถ้าไม่ค่อยปา ร, รบุสุขลธรรมก็แกาหมาห่างพระ อ, องค์เหลือเกินนะเขาลบเป็นพักๆนะวันหนึ่งได้เทียบชั่วโมงแล้วเนี่ยนะจิตใจของเรานี่มีพระ อ, องค์เป็นอารมณ์กับมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์นี้มากกว่าแต่เราน่าจะมีการเทียบเคียงอย่างหนึ่งนะว่าบุคคลในโลกนี้นะที่เรา ล, ลึกนึกถึงเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อเรานึกถึงแล้วเนี่ยกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วมีผลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไหมในโลกเนี่ย คนที่เราโวยวนคิดถึงวันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า ว, วนคิดอยู่นั่นแหละคิดบ่อยเหลือเกินอย่างเงี้ยคนเหล่านั้นก็ไม่เด็กก่อให้เกิดมาหากุศุเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคิดถึงคนทั่วไปถึงเป็นทานกุศุเป็นต้นทานกุศุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลมากมีอานิสงส์มากเท่ากับการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะจริงเราก็น่าจะสามารถตามระลึกนึกถึงพุทธคุณให้มากมากกันนะ ถ้าผู้ที่มีพุทธคุณบ่อยๆก็ชื่อว่ามีเกาะมีที่พึ่งมีสารณะแล้วถ้ามีสารณะก็พ้นจากวัตรทุกได้แน่นอนเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้เราทุกข์แนะ่ถ้าเรานับถือพระองค์จริงๆน ะ, ะนับถือจริงๆกับคิดว่านับถือเนี่ยแตกต่างกันนะว่านับถือจริงๆก็พระองค์บอกว่าซ้ายาก็ซ้ายตามใช่ไหมขวาขวาตามโทสะเกิดไม่ดีนะเออเอาไว้ก่อนเนะี่ยโกรธหน่อยในเะงี้ยถ้าอย่างนี้ก็ ไม่ได้นับถือจริงๆขณะนั้นนะเป็นพันของพวกเราก็เป็นพักๆนะทีนี้ต่อไปว่าพระศสกยมุนีผู้มีพระหาฤทยัยดํารงมั่นได้บรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสเนี่ยนะขยันวีราคาังอมตตังปณีตังยถาจาักขากฤตมุนีสมาหิโตเนี่ยนะที่เพราะใจของพระองค์ดํารงมัน่นบรรลุธรรมใดที่สิ้นกิเลสเป็นที่สํารอกกิเลสเป็นอมาตะธรรม เป็นธรรมะประนีตอันนี้เป็นชื่อของอะไรธรรมะที่สิ้นกิเลสสา r ร c กิเลสเป็นอมะตะธรรมเป็นธรรมะประณีตเป็นชื่อของพระนิพานนะธรรมชาติอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยนะนั้นธรรมชาติอะไรอะไรอันเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตน์เมนี้เป็นรัตน์อันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ัน้น ธรรมะที่ประนีตเสมอด้วยพันิพานไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสารเสริญซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมะสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีสมาธิไหนบ้างที่ให้ผลในลำดับขั้นเลยนะสมาธิไหนที่ให้ผลทันทีเลย สมาธิไหนก็สัมมาสมาธิในโลกุตตระจิตอ่าสัมมาสมาธิที่ในมัคคจิตให้ผลไม่มีระหว่างขั้นนะถ้า ส, สมมาสัมมาสมาธิเกิดกับโซดาปฏิมัคโสดาปฏิพณจะเกิดต่อทันทีเนี่ยนะในสกท า, าคามีมากเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมรัตนะแม้นี้ก็เป็นรัตนอันประณีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้อ่ะนะทั้งสองคาถาเมื่อกี้เนี่ยก็คือสารเสริญพระธรรมคุณ บุคคลแปดจำบุคคล8จำพวกสีคู่อันสัตว์บุรุษทั้งหลายสารเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษินาทานเป็นสาวกของพระสุคตเจ้าทามที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังขรรตนะแมนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เนี่ยนะเยปุคลาอัฏฐสตังปสสะธาจัตตาริเนี่ยนะ พระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมประกอบด้วยดีคือประกอบด้วยศีลมีใจมั่นด้วยสัมมาสมาธิเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยคือมีปัญญาพระอริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตตะฝที่ควรบรรลุยังลงสู่อมะตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าเสวยผลอยู่เป็นชื่อของพระอรหันต์งนั้น สังครัตนาแม่นี้ก็เป็นรัตนะอันประนีด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นะทั้งหมดนี้ก็คือถ้อยคำที่พารนาถึงคุณของพระอรหันต์ผู้ทรงด้วยคุณธรรมเสาเคื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัต์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสับ์บรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม มีอุปมาฉั น, นั้นสังขารตนะแม่นี้ก็เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัตว์จะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้อันผู้ใดที่ใครครวญอริยสัจอย่างเย็บยนแลเนี่ยนะแพงตลอดอริยสัจและใจของเขาจะมั่นคงอันวิธีจะพัฒนาใจให้มั่นคงก็คือการเจริญอริยสัจเจริญยังไงอริยสัจทุกศาสตร์ต้องเจริญไหมไ ม, ไม่ต้องมีอยู่แล้ว แต่ว่าใช้คำว่าเจริญอารยสัตว์เนี่ยเจริญยังไงเจริญทุกอารยสัตว์เจริญปริญญาสามสมุทัยสัตว์เจริญด้วยการปะหานะนิโรสัตตก็สัจชิกาตัปพระทําให้แจ้งอริยมรตก็ควรพ่อคูณพัฒนาพระอริยะบุคคลเหล่าใดทําให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายอันพระศาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระอริยะบุคคลเหล่านั้นยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริง ถึงกา น, นั้นท่านย่อมไม่ถือเอาพบที่8นะพระโสดาบันเนี่ยถึงยินดีในกิเลสขนาดไหนก็ตามแต่จะไม่มาในพบที่8ในการเกิดเป็นมนุษย์นะสังครรตนะะแม่นี้ก็เป็นรัตนะอันประนีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สกายะทิฐิและวิจิกิจฉาหรือแม้สีละพัตตปรามาตอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ธรรมะเหล่านั้นอันพระอริยบุคคล น, นั้นละได้แล้ว เพราะถึงพร้อมด้วยอพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นนิพพานทีเดียวสกายาทิถิวิจิกิจฉาสีละพัตต์ปรามมาพระโสดาบันมองเห็นนิพพานปับ๊บละทันทีเลยนะแค่เห็นนี่ก็ละแล้วก็คือละทิถิอ่ะ น, นะเห็นนิพพานก็ละความเห็นผิดโดยสมุเทเฉดเลยอันหนึ่งพระอริยบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ทั้งไม่ควรเพื่อทําอภิษฐานทั้งหเนี่ยนะข้าพ่อข่าแม่ข่าพระรหันเป็นต้นเนี่ย พระโสดาบันไม่ทําเด็ดขาดเหมือนกันสังขารตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีกษัตริย์เหล่านี้พระอริยบุคคล น, นั้นยังทําบาปประกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นบาปบ้างก็จริงนะนะพระอริยเนี่ยนะถึงกระนั้นท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปประกรรมนั้นคือพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะ เป็นอบัตบ้างก็จริงแต่ท่านจะไม่ปกปิดความนั้นเลยก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านจะไปปรงอบัติได้แม้แต่ความมืดประกอบด้วยองคศีท่านก็จะเรียกไปปรงอบัติเมืงท่านยังไม่เก็บข้างคาวไว้แน่นอนความที่บุคคลผู้มีธรรมะเครื่องถึงนิพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาปปรกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วสังขาัตนะแม้นี้ก็เป็นรัตนะอันประนีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัต์ เหล่านี้อันทศดานเนี่ยเป็นผู้ที่บริบูรณ์ในศีลอย่างมากว่าไงนจะไม่มีการตกปิดซ่อนเร้นตัวเด็ดขาด <c oughs> ผู้ไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันหรุดูฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึง น, นิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉันนั้นคิมหันฤดูคือฤดูฤดูร้อนเนี่ยนะ ที่ใบไม้ในป่าซึ่งกําลังเบ่งบานเต็มที่เลยก็บอกว่าฉันใดนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระปริยัติธรรมเนี่ยนะก็มีประโยชน์เกื้อกูลชันนั้นนะนะเหมือนกับใบไม้ในป่าซึ่งมากมายใช่ไหมพุทธรัตนะแม่นี้ก็เป็นรัตนอันประนีด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐพุทธรัตนแม้นี้ก็เป็นรัตนอันประเนีด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระอริยญญบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหน่ายแล้วในพบต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เป็นเครื่องสมภพพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราดย่อมนิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้นนี่ขีนางบุรนงังนวังนาทิสัมภวังวิรัติจิตายติเกนเนี่ยนะ คือพผ้ารหัสทั้งหลายเนี่ยดับแนละ้วเหมือนประทีปที่หมดไส้หมดนะหมดน้ํามันหมดไส้หมดเชื้อหมดอะไรหมดเหมือนกันเถอะประทีปดับไปฉะนั้นสังขรัตนะแม้นี้ก็เป็นรัตนะอันประนีดด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีกับสัตว์เหล่านี้ทีนี้เท้าสักกะเอาบ้างเท้าสักกาบอกว่าญานีทัพพูตานีสมมาตานีภุมมาณีวาญาณีวันตลิเคตทาคาตังเทวมนุษยสปูชิตังพุทธังนมาสามะสวัสดิหัวตเนี่ยนะ ก็บอกว่าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีคือกาลังแสดงสูตรนี้อยู่นะท้าวส ก, กาามาด้วยไงท้าวส ก, กา่าก็เลยพอพ่อองค์แสดงจบไนหะท้าวส ก, ก, าก่ากล่าวต่อเลยบอกว่าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศ ก, าก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าพูดไปแล้วอย่างนั้น ผูออ้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้นะขอบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งสัจจะวาจาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเหมือนกันเหมือนั้นพูดเหาใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภู ม, มะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันเป็นไปแล้วอย่างนั้ น, นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้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 คือว่าตถาคตเพราะปฏิบัติตามพระธรรมของพระตถาคตแสดงว้างี้ย น, นั้นเกี่ยวกับเรื่องตถาคตนี้มีความหมายรายละเอียดที่น่าน่าศึกษา ม, มากถ้าเราเข้าใจคำว่าตถาคตเท่าไหร่เราก็จะทราบซึ่งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่ทราบซึ่งในพุทธคุณมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าปิดอบายได้มากเท่านั้นนี่ซึ่ง น, น้อยก็ปิดอบายแบบน้อ ย, น, อยนะ ซึ่งมากๆ ก, กับปิดอบายมากๆพระโสะราบาลเนี่ยนะองคคุณท่านสี่อย่างนะที่ท่านมั่นใจว่าท่านไม่ไปอบายหนึ่งมั่นคงในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมีศีลอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะเป็นอริยการตศีลเลยนึกไหรสบายใจทุกทีเลยนะนั้นน่ะแล้วก็แทงตลอดด้วยดีในปฏิจจสมบาทอันท่านปิดอบายได้อย่างสนิทเลยนะของเราก็แงมแง่ไมห่หน่อยๆ น, น, นะเผื่อจะได้ไม่ลืม น, นะ แต่ว่าถ้าใจถ้ามีใจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ปล่อยให้เราทุกข์ร้อกเน็นไหมขอให้มีใจกับพระองค์หน่อยเถอนะเนาะมีใจกับคนอื่นนี่ไม่ยากนะแถ้าเมื่อไหรจะมีใจกับพระผู้มีพระภาคไงได้ดีแน่เนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้พระวักกะลี่นั่นทีท่านศรัทธามากไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยของเรานี่ให้ได้ครึ่งพระวักกลี่เนี่ยนะพระวักกะลีเนี่ยเป็นพาตอาหารไปแล้วนะศรัทธามากจริงๆเลยแต่ว่าเป็นพระอาหารไปแล้ว นะนะเพราะว่าถ้าศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าจริงๆนะพระองค์จะแ ก, ก้ไขจะปรับอินทรีย์ให้เราทั้งหจนบริบูรณ์นั่นแหละเนี่ยนะขอให้มีศรัท ธ, ธากับพระองค์จริงๆนะถ้าเราศรัท ธ, ธามากไปเดี๋ยวไปฟังพระสูตรบางสูตรใช่ไหมดี๋ยวพระองค์ก็บอกเออศรัท ธ, ธามากมีผลอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ของเราไม่ไม่ค่อยมีมากหรอกไม่เกินแน่นอนเชื่อเลยนะในอินทรีย์ห้านะศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาตั้งตรวจดูแล้วไม่มีใครเกินแม้แต่คนเดียว นั้นพ่อโพลบอกไปเห็นไหมเวลาปีหนึ่งแล้วนะ <c oughs> โหฟังยาวมากการเกิดมาไม่เคยแสดงธรรมที่ไหนยาวขนาดนี้ไม่เคยเห็นใครฟังธรรมมากขนาดนี้เลยนั <c oughs> ่นก็กุศลธรรมทั้งหลายที่เราตั้งใจทําด้วยดีนี้ขอกุศลเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยเพื่อความเจริญงอกงามในภาษาธรรมในศาสนาของภาษาสดาเจริญงอกงามในคํำสอน และก็สามารถที่จะพ้นจากทุกทั้งปวงรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนทุกคนทุกท่านขออนุมโมทนาด้วยนะท่านพั้